เที่ยวควรฉันจึงใส่บาทได้เดี๋ยวนี้เข้าสารอาหารเนี่ยปาดิบกับใส่ไส้พระท่าเจ้าของพุทธวิภัทรยังประสันล่ะคือก็กินล่ะเข้าสารน่ะถึงจะขนไปให้พระล่ะพระบอกบอกตรงนั้นดีกว่าเนะก็พระเกิดกลมโลกพระไม่บอกโยมโยมก็หลงเลยมันขาดอย่างเดียวขาดบอกโยมทำบุญนะ พระขาดบอกโยมทําบุญไปบอกทําทานว่าเป็นทําบุญต้องแปลสองอย่างทาทานอาหารกายทําบุญอาหารใจในตัวของเรามีกายก็มีใจถ้าไม่มีใจเรียกว่าคนตายผมทิ้งเผาทิ้งตัวเราอยู่ที่ไหนนั่นตัวใจใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นคนอยากพบศาสนาอยากปฏิบัติทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนอะไรทานศีลบุญรู้จักไหม เดี๋ยวนี้มีแต่ทานศีลวันีลนั่ น, น, น, น, น, นพระไม่รู้กันแล้วแล้วก็นั่งสมาธิก็ไม่รู้กันแล้วทานศีลบุญทานศีลภาวนาภาวนากับบุญความหมายเดียวกันถ้าบุญนิ่งเกิดปัญญามีความรอบรู้เรียกว่าภาวนานี่คนไม่มีความรอบรู้เพราะกิจไม่นิ่งกิจไปอยู่ไหนเมืองภูงเงินมโนลาหลวงปู่เคยเทศนางมโนลานิทานนางมโนลาเท่าวสีทนชอบนางมโนลาหา เท่าสีทนหานางมนโนราเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึงเจอไปเจออยู่ที่ไหนเมืองผูเงินรู้จักไหมานางมนโนราแต่หลวงปู่ไม่รู้ประวัติทางปากใต้เขาเล่นมนโนรามนโนราก็เล่นอะไรเริ่มต้นเท่ามีเท่าสีทนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมนโนคือใจมนโนภูพันธ์กมาตา ม, มามนโนเศรถามนโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวนหน้าสําเร็จอยูที่ใจัใจเป็นนะ ใจเป็นนายนะใจสั่งให้เราทํานะสั่งให้บาปสั่งให้ทําบาปสั่งให้พ้นให้กี้ให้ฆ่าให้ตีน่นถ้าเราไปเราก็เป็นบาปถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นไรยังอดทนได้แต่ก็เป็นบาปอยู่เหมือนกันเป็นบาตเนิดหน่อยไปสั่งทําไมไปพป้นไปกี้ไปฆ่าตีของเขาหาได้ยากนี่นใครคนๆสั่งคนต่อใจแหะไปสั่งใจสั่งให้ทําบุญเอาทําบุญสิสงสารเขาเมตตาเขาถ้าทําบุญเราเห็นบุญเราก็ไม่กล้า ในประเทศไทหน้าอยู่ที่สุดคือประเทศไทยต่างประเทศ <c oughs> ของเขาไม่มีหลักพระศาสนาแต่เขาซื้อสัตว์สลุดิบขายสิ่งไช้ ข, ของไปวางในขั้นทางผลระบากลักไม่เชียนไว้ป้ายของแต่ละกองแต่ละกองเก็บไว้ราคาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมีก็ก็ผูกวางสําหรับปัจจัยเหรียญใส่นห้นึนแกแบบเอาของไปเลยแต่บ้านเราเลยยังแย่งเอากับมือแต่ว่ า, ายังไงเมืองไทยเมืองพุทธทำไมเป็นยางไง เขรวยมากองเขาเขาสวยงามมากลม ข, ขืนเขากลม ข, ขืนแล้ไม่แล้วข้าป้องมีไหนเหมืองพุทธเพราะฉะนั้นให้เน้นหนักภาคทำบุญนะให้เข้าใจนะตัวของเราไม่กายกับใจใจเป็นตัวของเรากายเป็นของคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่มีคุณแม่คนเดียวได้ร่างกายไหมมีคุณพ่อคนเดียวได้ร่างกายไหมไม่ได้ใจของเราที่แท้จริงนะอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพุทธศาสนาจากปฏิบัติธรรมอยากลูก ใจของเราว่ามายัางไงจะไปยังไงเข้าดูเข้าดูเลยทุกวันทุกวั น, ว, นวันละหนึ่งนาทีไม่มากหรอกเราทานเลี้ยงจําร่างกายวันหนึ่งกี่ครั้งให้ทานอาหารวันหนึ่งกี่ครั้งเที่ยวแต่งดัดแต่งวันหนึ่งกี่ครั้งแต่งผมแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังเล็บมือเล็บเดียวสามสีสีสีหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะค่าเล็บอย่างเดียวนะค่าปูกขนตาอีค่าเขียนเชี่ยวอีค่าทำปากอีกค่าทําฟันอีก สวยงามก็ทะเลาะกันเหงื่กันใช่ไหมลงแต่ละลาแทงแพงมั่นกันไว้แป๊บเดียวสองสามเดือนทะเลาะกันเตียงหักนั่นเป็นนรกไหมล่ะเจอเอาธรรมะมาแปรนะไม่เท่าทั้งโลกมาแปรนะธรรมะไปแปลนะั่นนรกคือสวยงามนารกคือร่ํารวยร่ํารวยมาแล้วเขามายืมไม่ยืมแม่มาคืนให้ สอสมเดือนไปถามข้างถามข้างที่สามเอามือปืนไปด้วยเดียวมาแล้วให้หรือไม่ให้ปืนจี้เข้าไปก็จำเป็นก็ต้องไปหาจำจำบ้านจำช่องจำไร่จำนาจำที่ดินจำอะไรไมีอะไรจำหมดจำน้องหมดเป็นนารมณ์ไหมวุ่นวายไหม <c oughs> บุ่อยู่ที่ใจง่ายทำไมไม่ทำนะลหายใจเขาออกไม่ได้ซื้อสักบาทนะให้ทำเถอะวันหนึ่งหนึ่งนาที ไม่ตายเมื่อนานเข้านานเข้าเวลาเราจะกลับบ้านเดิมเราจะได้ระลึกถึงจุดนี้เพราะเราอยู่กับลมเวลาเราไม่มีลมใจก่อนนี้นั่นแหะคําว่าเตรียมตัวก่อนกลับถ้าเราไม่เตรียมตัวเอาไว้ไม่ทําอาไว้ไม่รู้ทางไปสวรรค์ไปทางไหนไปทางนรกสิไปติดล่ารวยไปติดสวยงามไปหัวงเงินหังทองหัวสวยหอว ง, งามนั่นจะไปสวรรค์ น, นิพพานได้ไหมล่ะ ใจกระทุกกระทุกที่สุดคือหาที่เกิดปรเกิดกับลูกหลานนะได้เขาขี้เกียร์เลี่ยงทุกวันนี่ได้ไหมในสองคนปิดไว้ผู้ย่าตายายถึงไปเกิดด้วยไม่ได้เกิดแต่ถ้ามีสินธรรมเราไม่ต้องเกิดกับลูกกั บ, ลกกบหลานมราทุกพุทธโลกเทวโลกเ ข, ข้าสวรรค์เข้าปิพาน์ดีกว่านันฉะนัะ้นฝากไว้ให้ลูก ใ, ให้หลานนะให้เน่นหนักภาคไปทําบุญงานใหญ่ๆก็อยากขนสิ่งขนขอ ง, ของดอกไม้ทุกเทียนอยากขนไป จะไปถวายพระก็ให้ฉันได้เอาข้าวสุกอาหารก็สาเร็จแล้วจะเอาหอ่อโน่นหอนี่ไข่ก็พเปียกยก็ไปใส่ตะพ้กใส่าบาตรตะพุกินไข่เปียกไข่กวต้ <c oughs> นก็ไปได้ซิงหองดีวยนี่มักง่ายออหอมกรอแกนห่อหมดจับจัดอย่าใส่ผัก <c oughs> ให้ไปยามน <c oughs> ะเอาไว้ไ ม, ม่อะไรแล้วน้าบุคคลเ็จเก็ยกหลานด้ มปู่ลงพ่อมาแวะบ้านแช่ิในกวาคจะรลูกหลานต้องมีแต่ความร่มเย็นเป็นอยู่คุณกุศลเราทแล้วนี่คุณกุศลของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมารวมกันจงปกป้องกปัษ์าคนรจะลูกหลานงมีแต่ความสุขโสดเินสุกายทุกใจการงานจึงไดกันเงินจึงใดปาจจณาสิ่งหนึ่งอันใดจงสาเร็จจงสำเร็จสมดังความปัจจาจงทุกสิ่งทุกประการเถอ นี่กี่คนนะในอารันธรรมามาสราสมุทโธพระควพุทธังพระค ว, วตังอภิวาเทนิสว่าขาโตพระควาตาธรมโมธมมังนัมสามิตามสติปันโนพระควตโ นี่หละของไหว้พระนี่ดอกไม้มันวิสาขาอาสาระยาซื่อดอกไม้เข้าไปวัดมันเป็นบาปเป็นขยะตันบ้านเต็มเมืองคือทูกจุดเทียนเผาบ้า น, ผานเผาเมืองอยูนั่นแหละจุดที่ใจแสงเทียนสองตาแสงปัญญาสองใจดอกไม้คือนิ้ว ม, มือให้เป็นดอก บ, บวัวไหว้เสร็จแล้วถือ ก, กับข่องไม่ต้องลกลงลังตามวัดตามพระก็ได้อย่างว่าขอขอปรึกษาว่จาจะ มันทั้งแก้สิ่งที่แก้ทุกได้คือดูลมมีปัญหาเรื่องใดเข้าสมาธินี่เรียกว่าสมาธิคือการดูลมถ้าเข้าตัวนี้แล้วตัวนี้จะไปแก้ไขให้ได้หมดเดี๋ยวก็จะเจอเหตมาที่ใจของเราขอให้ทําถ้าทํายังไม่เห็นก็ให้อยู่นานๆออกจากนาทีกับสนาที3นาทีสี่นาที1ชัวช่วโมง2ชั่วโมง1วันก็ทําไปเลย ไม่ได้ซื้ออาหารใจธรรมะของพุณเจ้าไม่ได้ซื้อญาติทั้งโลกรักษาหายแล้วก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายเหมือนเดิมห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายไม่ได้ทั้งโลกแต่ของคุณเจ้าห้ามได้ถ้าทําได้แล้วไม่มีเกิดนะสุดยอดไม่ไม่เกิดแต่แก่เจ็บตายก็ไม่มี อาหารของพระเจ้าอาหารใจของพระเจ้าของรักษาใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้ซื้อแต่คนทําไมไม่นิยมทําไม่มีผู้บอกก็พระพุทธเจ้าบอกแล้วนักถือเจ้าทายเจ้าพูดธจทยเราพูดผู้ถ่ายทอดมาพระก็ไม่เห็นบุญก็เลยไม่ตะบอกขอาของไปถวายพระพระก็เลยยุ่งกับของทานอาหารใจคือบุญฮะปากไกวด้วยให้ไปเตือนจุดนี้แหละมีปัญหาเรื่องใดเข้าตรงนี้มด ไปรวมอยู่ตรงนี้หมดน ะ, ะแ ต, ะตรร่รู้เองปัจจตังรู้จำเพาะตนผูดดูลู้เองเห็นเองมืนมาที่นี่ถ้าใครไม่มาบอกก็ไม่ถูกถ้าคนมาแล้วไปสวรรค์เหมือนกันถ้าเคยไปเราก็ไม่ต้องไปถามใครแล้วมีก็ให้ดูเท่านั้นขาด่างเที่ยวคนไทยคือขาดการดูใจขาดการแต่งใจขาดการรักษาใจขาดการขาดการให้อาหารใจ ถ้าไม่มีลมใจหนีแล้วใช่ไหมไง่ายไหมยต่ร่างตายวันหนึ่งอีกขั้งล่ะเลี้ยงทำไมของปูรของเน่าเลี้ยงแล้วพอเท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่เลี้ยงโอ้ยง้ตนนัวนี้นุ๊งปูก็เลี้ยงลูกหลานอยู่ิด่ทดอยู่ที่นู่นเลยคิดว่าจะไม่มีมากก็นี่ร้อยขว่าวคนแล้วตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไป ถึงมหาอะไรถ้าจบมหาอะไรหลวงปู่ก็หยุดสงเคาะถ้าภาษาชาวบ้านว่าจ้างเขาถือสินแปดจ้างเล็กน้อยเขบอกคุณยายมูนิเขาเห็นว่าได้มีใครทําได้ไหมสินแปดหลวงปู่ส่งให้เรียนจบเอกจะทําทํำไม่ได้เอกถ้าหัถือสินแปดได้ตลอดก็ส่งให้ได้ โดยเฉพาะทางพุทธศาสนาหลวงปู่คิดว่าจะไม่มีเท่าไหร่เขกลับมาจากอังกฤษไปถามว่าร้กว่าคนหลวงปู่เอาขาวเขามาถามดูรวมกันว่ามีใครท้อใจไหมมีใครหิวข้าวไหมมีใครมีปัญหาเรื่องใดถามใครบอกว่าไม่มีปัญหานะเด็กเจ็ดขวกเด้ถือสบแปตลอดเรียนจบได้ไม่ใช่ว่าพรรษาเดียวปีเดียวนะ ปีนึงมีกี่วันเอาเอาเดือนหนึ่งมีสี่วันวันพระไม่ได้ถือทุกวันเดือน4ี่วันจ2เดือนเป็นเท่าไหร่ส<า>ี่สิบแปีหนึ่งสี่สิบวันค่าเทอมลูกปู่ออกให้ค่ากินพ่อแม่ออกให้เรืองนี้มีจังหวัดเดียวจึงทำอยู่แต่จังหวัดอื่นยั ง, ยงไม่ทราบเพราะลูก ป, ปู่ยังไม่เปิดเป็นทางการฝึงก ำ, ำลังกำลังดิฉัเลยว่าจะมีลูกหลานกล้าทำไหม เรืเาก็ไ้สครังใช่มครับเดือนหนึ่งสี่ครั้งใช่ไหมครับใช่ขอพวันพระวันพรสิบห้าค่าแปดค่ำตสิบคิแปดมีอะไรบ้านะสิบห้าโอ้อย่ามัรู้ครับสิอยากกินในยามวิการนั่นอยากขับร้องพร้อมลำประคองดนตรีแล้วก็ดับนั่นตกแต่งนั่นติงเงี้ยเอนจัดการนอนเตียงต้องนอนพืน แล้วภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีไม่ได้ว่าเตียงนะภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีที่นั่งที่นอนข้อสุดข้อสุดท้ายยางคาราไดไมครับมาปูไม่ใช่นุ่นเป็นยางเขาจะติดไม่เป็นไรอถนนทางออกมีอยู่ของพาปูเจ้าให้ออกที่ยัดด้วยนุ่นทางจันทจังหวัดเลยเขาใช้นุ่นมันนั่งมานอนผ้าห่มผ้านวมนั้นนก็มาปูนอนไม่ได้มาปูนั่งไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้ก็หมดไปแล้วละ่ะเรื่องนุ่นเรื่องสําผัสพวกไฝ่ไม่มีแล้วมีแต่ว่าัศนิทิเปทําเป็นนุ่นเป็นเนั่นไปมันข้อห้ามงดเว้น<ม>เด็กเขาทําได้นะแต่ผู้ใหญ่ทําไม่ได้บอกย้ oh, วันนี้มันพระอย่าพูดกันนะ<ม>ออกจากพระไปก็ไปคุยกันแต่เด็กบอกว่าวันนี้ให้กดพูดได้ก็มีรายงานหน้าทศหน้าวันเกิดหลวงปู่หลวงปู่ให้เด็กว่า เยอะๆใครจะมีสัจจะป่ะกัไม่พูดวันนี้ก็มีเขาไม่พูดตลอดวันหลงทางบางคนหลงถามจะถามพูดก็ผิดศีลเขาก็เขียนแต่หนังสือเอาไปถามบางคนไม่พูดเขาก็ไปพูดแล้วไม่สนใจเขียนใสู่ทางหลงงทาก็เขียนแต่หนังสือเอาไปกลางคืนไปหลงทางไปที่พักพก็ือลากลางคืนมาก็แยกกันไปอยู่คนละเตียงภาคปฏิบัติ ภาครับด้วยปากก็มีภาคปฏิบัติลงมือปฏิบัติว่าไปนั่งไปปา่ามันเป็นยังไงนั่งสมาธิกับอยู่ที่หมู่เป็นพวกกันในพุทธมันแตกต่างกันไหมเพราะว่าทำไมพระพพเจ้าจึงทรงรุ ญ, ญาตัตรัสรู้อยู่ในป่ามันแตกต่างมากไปนั่งในป่านั่งในป่าต้นไม้หนึ่งคืนเท่าเราอยู่บ้านหนึ่งปีแตกต่างกันนะว่าไปนในป่ามันกลัวเราก็ต้องเข้าสมาธิอย่างเดียว คิดอย่างอื่นไม่ได้ถ้าอยู่บ้านคิดไปสุงสี่สุมห้าจากนอนเวลาไหนก็นอนได้แต่ไปป่านอนไม่ได้ปวดเทวดาเอาริงไม้มาตีครับอย่าไปเชื่อหนังสือตำราอย่าไปเชื่อได้จรินแต่ข่าวเล่าลือ ม, มาอย่าไปเชื่อที่เขาพาทำมาอันนั้นเราไุกเตรียมเขาพาทํา ม, มาดิไม่ใช่พระพุทธเจ้าพาทำ ม, มานะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจทําให้มีจริงๆ พุทธะไปมาพูรู้แล้วก็โดนเจ้าพระนั่งยิ่งในพระไตปรปิฎกไม่มีหรอกจุดทูบจุดเทีย น, นมีพระแต่ไม่ใหม่มาแต่งเราเองรวยร้านค้า mm hmm. จุดทูจุดเทียนโลกบอดบวมบางคนติดนิสัยแล้วไม่จุดเทียนไม่ได้ไม่ได้จินทูบเดี๋ยวผีไม่ได้ยิน mm hmm. พ่อแม่ไม่ได้ยินว่าไปยิ mm ่ง hmm. ละกพระไม่เคยเห็นบุญไม่พระกีรูปประเทศไทยมีพระบอกกี่บุญ บวกทำบุญไหมหลวงปู่พูดแล้วเมื่อกี้นี่เราไปศีรษะมีพระวัดไหนบอกําบุญยศมาอะไรถวายทั้งกระฐานจุฑูปจุติยันถวายทั้งกรานตรวจน้ำยมเป็นคำสาคัญบุญไม่ได้ซื่อทํำไมไม่บอกว่าพระไม่เคยเห็นบุญว่าอย่างไรลำตีลำโตทําเองประโยชน้าประโยชน์ศีรษะว่าก็ไปเขียนวอาของคุณเจ้าเชื่มไหมของคุณเจ้านะในพุ่งไปไปดกไม่ใช่ของเรานะของเราก็ต้องทำเอง ดูเองรู้เอ ง, เ, องเห็นเองน่ะความของกุญแจใช่ไหมผู้รูรู้เองเห็นเองหรือผูท้ทําหรืออาหารย่างนี่แหละคนรับประทานรู้เองเห็นเองว่ารสชาตเป็นไงจะไปถามคนไม่ได้ทานไปรู้ยังไงอ่ะ mm. เหมือนบุญเหมือนกันนะคนที่ไม่ได้ดูบุญจะไปถามเขากิกดอกบอกได้พหมกุญแจจึงบอกว่าประจักษ์ตังคู่จำพาะตนไปบอกให้เขาไม่ได้ว่าสวรรค์เป็นอย่างนั้นพญิพนานเป็นอย่างนี้บอกไม่ได้เขาจะเชื่อห่ะ ถ้าหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไปสวรรค์นิพพานแล้วใครจะไปเชื่อถ้าไปสวรรค์เป็นทำไมไม่เหาะไปน่นถ้าหลวงปู่ไปสวรรค์ได้ทําไมไม่ไปเหาะบินตาบัตตามประเทศมาให้ดูหน่อยผูเจ้าจึงไม่ให้พระสงบอกปฏิ จ, จะตังรู้จาเพาะตนผู้ดูรู้เองเห็นเอง้าอาหารว่าผู้รับประทานรู้เองเห็นเองว่าอิ่มกับรสชาติมันเป็นยังไงในรสชาติของอาหารใจก็เหมือนกันเห็นไหมเราพาดูเพิ่งหนึ่งนาทีเมื่อกี้ไดซื่อไหม สบายไหมสุกื่นยิ่งกว่าคว่ำสงบไม่มีนั่นฟังของพระพุทธเจ้าสงบหมหนึ่งนาทีแต่เราทําไม่ได้มี ม, มีมีทุกมีบางคนทุกคนไม่ได้ดูทุกวันไหมมีคนจะดูทุกวันไม่ดูใจนั่นหลวงปู่จ้ามัแล้วจํามันอีกนะไปที่ไหนต้องดูหนึ่งครั้งวันหนึ่งหนึ่งนาทีวันหนึ่งหนึ่งนาทีนะวันหนึ่งมีกี่นาทีที่ดูขอให้ลูกหลานทำไปเถอะหนึ่งนาทีไม่ตายหรอก นักงานเข้านางเข้ามันเป็นนิสัยอุป น, นิสัยเป็นเห็นรวดเลยเวลาเราเก็บใค่ได้ป่วยมาจะเห็นจุดนี้คําสอนของหลวงปู่ศรีเตรียมตัวก่อนตายถ้าเราเตรียมตัวเราเราจะตายเราจะเห็นลมถ้าเข้าลมแล้วก็ไม่คิดถึงเงินทองไม่คิดถึงลูกหลานมันวิธีแยกออกมันมีทางแยกออกแต่เราไม่เคยดูเราจะรู้ได้ยังไงสิ้งล้วแต่เกิดมาเนี่ดูดูซิอายุเท่าไหร่ยังบางคนจ ะ, จะไม่เคยดูลมศรีนี่ ก็เพราะอะไรก็ไปทำบุญกี่วันนับแต่เกิดมารูกนับไม่ถ้วนนะสงการก็ไปทำบุญปีใหม่ก็ไปทำบุญอีกไม่นานจะไปแล้วคนความไหวพระยุ่งนะถ้าไปแบบจะไปนั่งรมาธิเป็นยังไงจะได้กลมลูกไม่บวนวายนั่นเพราะฉะนั้งรูกผจึงประกาศเอาเด็กมาดูแลพอแม่ดีใจด้วยเพราะมันจะตัดกัน ยาบ้ายาเบื่อกินเล้วกินยาบ่งของพ่อลงทะเลาะว่อนตีกันฆ่ากาันหายห่วงเพราะอยู่ในสิงแสหรือแล้วเข้าใจไหมถ้าเขาเรียนจบยังโยมนี่เขาจะเป็นครูบาอาจารย์ไปสอนคนนั่นหลวงมรดกหดวลวงปู่ฝึกได้สักหลยคนเขาเรียนจบได้สักสิบคนไปเป็นด็อกเตอร์สิสบคนอย่างนี่จะได้ประโยชน์เออยากให้สอนทางพูดศาสนาโดยตรงแบบงม ง, งายไม่ห้เอาวดหน้า ทะเลาะกันใช่ไหมเวลาผู้เจ้าออกบวทมาเห็นพิธีกองยาวพิธีกรรมเขาพูดเรื่องของพษษษระพุทธศาสนาหลวงปู่ไม่อยากให้เอาไปคุกคีกับเรื่องทางโลกถ้าเรื่องโลกไปถวายในหลวงลรงไม่ทุจรินหลวงปู่ไปว่านะแต่ของพระพุทธเจ้าไม่อยากให้ทําเพราะทําให้ลูกหลานหลงทางเดินนี่ผลเสียนั้นไม่ใช่ว่าหลวงปูป่กลัวลูกหลานเสียเงินกลัวลูกหลานคนอื่นจะทําเป็นตัวอย่าง แต่ว่าอะล่ะเขาพาทำมาน่นเห็นไหมใครพาทาำล่ะไม่ใช่พระเจ้าเขาพาทำมาเขาคือคนโง่เขาไปเชื่อทําไมเขาพาทำมาใครก็พูดอย่างนั้นแต่ไม่ไปให้ลึกซึ้งว่าแต่เขาเขาเขาเขาเขาก็คนโง่เขาไปเชื่อทําไมทำไมไปเชื่อพระเจ้านี่หรอกบัวไปซื้อตรงไหนกราบแล้วไปไปใส่ใส่แจกันภาษาคนไทยนิยมตัวบัวใส่แจกกันน้าไปใส่ยุ้งมัดใคใส่ต่อคนได้บุญหรือได้บาปหรื ไม่เคยสังเกตไม่เคยรู้หรอว่าในแจกันมียุงกี่ตัวแจ ก, กันบางใหญ่ทิ้ไว้หน้ทุกวันนีงานใหญ่เอาดอกบัวไปปักไว้ปักไว้ถ้าไม่มีน้ํำลุงปูไม่มีน้าน้ำมาให้ใส่ไว้สองสวันไปดูเหม็นขึ้นไปหมดมีแต่ยุงบิ่นวิ่นพะไปเทอไปได้ น, าน้าน้ํามีตัวสัตว์อนั่นต้องไปหาเทน้องที่ไหนมนนาเ น, น, า น, า น, านั่นนี่เป็นห่วง พระมีดีรูกประเทศไทยคิดดูลองไปตู้ตักสิว่าพระที่ไหนจะบอกทำบุญดูวันปีใหม่จะหอบของไปตรงไหนบ้างแล้าอย่างนี้ถนะ้าเราอยากสนับสนุนศาสนาเราต้องทำบุญด้วยอะไรคนระับเอเมื่อกี้ก็บอกแล้วรม้หมายใจ ถ้จาจะทานมันเป็นอามิพูชาทานของเบาๆนี่ของเบานี่ครับสามารถทํำในทุกอย่างคระอภิเษกพระอุทุมงคจีบอลไปถวายพระเยอะๆเดี๋ยวก็พระเกิดจีเลนแล้วโยมมาบูชาเอาใช่ไหมไปบางวัดโยมมาบูชาเอาของอยู่ที่นี่ก็มีของสังฆทานเอากันเท่าไหร่กันละพันกันละหมืน่นถ้ากันละหมื่นได้พระประทานด้วยไถ่ลอออกมาทําที่ที่ตรวจซักเสร็จได้ก่ ขาเข้าไปคนอื่นมาบูชาของทั้งกระทานทําให้ฝากขายของในวัดก็เป็นบาทนะฮะถ้าจากจะนี้นอยู่ที่นี่หมดแจะตูปัจจัยปัจใจเสียอันสมควรแก่ธรรมนับริโภคพระที่สงเก็บให้ได้ป่วยเอาไปจากนี้ไปขายบางสกุลที่วันทุบเจียนได้ไหมหรือกระเพาะเนี่ยขี้เกียจตัววันผ้าดินไม่มีปักเพราะมัน เ, ย, เยอะแยะไม่เก็บไปรักษาคือ้วย แทนที่จะได้บุญไปขอบาปกับพระกรรมเนแล้วจะต้องการหรือบาปก็พระแนนไม่รักษาทำยังไงก็พัะเป็นบาปที่แมื่อก่อนปะแล้วปะอีกมีม่พระไตปิฎกพระมหากรรย์ใ จ, จนะห่ผมผาพื้นเดียวตลอดเข้ามาจนถึงพระินิพพานห้าร้อยชั้นปะแล้วปะอีกถ้ามันผูกปะแล้วปะอีกเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัทพระสงฆ์ต่อไปนานเดี๋ยวนี้อาจารย์ยมยุคลานเคยนู่นผ้าปะไหม โบราณในสารปากแล้วปากอีกมันขาดก็ปากแล้วปาอีกแต่ไม่มีนี่ทุกวันนี้เสื้อผ้าโกโค่เก๋เก๋มีแต่นี้ทุกที่สุดคือคนมีหนี่โบราณ น, นะทุกวันนี้ทุกที่สุดคือยืมไม่ได้ต่างกันไหมพัดัดสิสอ้อนใจลุงปูฉันผมขอ ย, ยืมห้าร้อยล้านขอให้ได้นะลุงปูไม่รู้ว่าจะได้มาจากไหนใส่เขานะแต่ขอให้ยืมได้ได้ไหม ก่อนอายเขานะใครเป็นหนี้เป็นสินอายเขาลนะไม่อยากไปไหนนะก่อนนะถ้าเป็นหนี้ทุกวันนี้ยืมไม่ได้อายเขาละไม่คนใดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้เน้นหนักชาปนกิจนะนะเตรียมตัวก่อนก่าและการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ทําจอมรักษาผู้ทําบุญไม่ให้ตกทุกข์ระยะเพื่อกันทำเพื่อการภาวนาอะมีแค่นั้นไม่อะไรก็อยูต่อทางพระ